นะกว่าจะเส้นลมแต่ในแง่หนึ่งนะมันก็สอนใจให้เราเห็นถึงความเป็นธรรมดามันทำให้เกิดภูมิคุ้มใจนะหรือภูมิคุ้มการจิตใจที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะอยอมรับหรือรเผชิญกับความพัดภ้าสูญเสียคนรักได้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 ก็รักกันมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานนะย0่สปีแต่ต่อมาเนี่ยสามีก็ป่วยด้วยโรคร้ายรักษามไม่หายในขะที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาภรรยานี่ก็เศร้าโศกมากเธอก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรนะถ้าไม่มีเขา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 บอกว่าเท่าละน้อยเท่าละน้อยนะก็สามารถจะหลุดจากความโศกเศร้าได้แล้วกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าสามีจะจากไปละคนเราเวลาเศร้าโศกนะหรือเวลาทุกข์เนี่ยจิตมันมักจะจมอยู่ในอารมณ์นั้นนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานความเศร้าโศกมันก็พยายามฉุดพยายามดึงจิตให้เราพยายามดึงจิตของเราให้จม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 เป็นอย่างนี้เนี่ยหลายวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แรกเพื่อรวมงานพยาบาลก็เห็นใจเธอนะก็ไปเธอเนี่ยนะจ้าจมอยู่ในความเศร้าแต่พอมันผ่านไปหลายวันนีอันนี้กุมารแพทย์คนนี้เนี่ยแกก็เศร้านะจมจมอยู่กับความโศกเนี่ย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 ก็ยังเศร้าซึมผ่านไปพักใหญ่เนี่ยเด็กก็ร้องไห้หมอก็เลยจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ต้องไปดูว่าร mm ้ hmm. องไห้เพราะอะไรอ๋อนะฉีลาดนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเสแล้วก็นั่งซึมเหมือนเดิมผ่านไปชั่วโมงนึงเด็กก็ร้องอีกนะ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 รวมไปถึงการใส่ใจนะกับแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยมีคนปู่คนหนึ่งนะแกอยู่กับภรรยามาตัอง60สปีนะอายุเนี่ยกเกือบ90แล้วต่อมาภรรยาก็สูญเสียชีวิตนะตอนที่แกอายุประมาณสักเนี่ยเกือบ90แล้วคนที่อยู่ด้วยกันมานาน60ปีพอคนหนึ่งหายไปนี่มันมันมันก็นชีิดนี่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 เหมือนกับว่าอยากจะปล่อยให้ตัวเองแห้งตายไปยนั้นนะมันหมดแรงจูงใจในการมีชีวิตแล้วหมอนี่ก็จนใจนะหมอก็นี่กระเป๋าลูกก็รู้ว่าสงสัยเนี่ยพ่อคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะแกไม่กินเลยเนี่ยนะยาก็ไม่เอาเอาแต่นอนติดเตียงอย่างนั้นแหละแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะ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 กุศลธทําก็เช่นเมตตาเนี่ยถ้พอเราเกิดเมตตาในจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําดีนะมันก็ไปไล่น้ําเสียออกไปคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยู่นิ่งๆนะไม่ทําอะไรนี่นะไอ้ความซ่อมก็จะค่อยแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยทาอะไรเพื่อคนอื่นหรือแม้แต่สัตว์อื่นเนี่ยมันก็เกิดมีเรี่ยวมีแรงมีกําลัง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 รู้สึกว่าเจอเคราะห์ก็จะไปที่วันนั้นที่วันนั้นนี่เามีมีพิธี น, นึงนะพิธีนี้เนี่ยนะมันเป็นพิธีเบี่ยงไอ้จานนะจานกระเบื้องเนี่ยลงไปในหน้าผาลงไปในเหวใครมีโซกใครมีความมีเคราะห์มีเจ็บป่วยยังไงเนี่ย ก็เขียนไอ้เคราะหกรรมนั้นแหละลงไปในจานนั้นเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งนะก็เขียนมะเร็งลงไปที่จานหรือว่าเป็นหนี้สินเี่ก็เขียนหนี้สินลงไปที่จานนั่นแหละแล้วก็เหวียงจานนั้นลงเหวเหมือนก็ว่าขอให้โศกขอให้เคราะหกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมาลายหายไปาเธอก็ไปที่วัดเนี่ยนะแต่แทนที่จะเขียน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 จานที่เขียนคําว่ารถยนต์แล้วก็ก่อนที่จะเวียงจานที่เขียนคําว่าบ้านนะก็นึกในใจรลยที่ฐานแล้วนะขอบคุณนะบ้านนะทีะ่ช่วยดูแลฉันมาตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องไปจากฉันละแล้วก็เวียงจานที่เขียนคําว่าบ้านแล้วก็ถึงตาของนะลูกนะ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 ผ่านไปสี่สิบปีห้าสิบปีก็ยังรู้สึกผิดนะถ้าเธอกลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดตายไปเนี่ยแล้วนึกถึงปู่ตัวเนี่ยตอนจะตายนี่คงจะไปอาบายที่จริงมันไม่ใช่ปู่ตัวเดียวนะหลายตัวด้วยยามทําทยัางไงก็ไม่ตัดใจไม่ได้นะก็ยังรู้สึกผิดนะจนทั้งครวหนึ่งก็มาอบรมเผชิญความตายกับอาตมาเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องความรู้สึกผิดก็เลย เลยบอกโยมว่าเนี่ยตมาจะขอบินทบาทนะมีความรู้สึกผิดเรื่องอะไรเนี่ยเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็มาให้ตมาใส่บาตรตมาขอบินทบาทเธอก็เขียนในความรู้สึกผิดที่ไปฆ่าปูเนี่ยนะติดค้างมา50าปีก็เขียนใส่บาตรแล้วก็รวบรวมกันพอเสร็จแล้วก็ทําพิธีเผาเลยนะ แล้วก็บางสุกุลไปด้วยอั น, นิจจาวัฏสังขารานะบอกว่ามันช่วยเธอได้นะหลังจากนั้นนี่ก็เรียกว่ารู้สึกโปร่งโล่งนะไม่รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกผิดที่มาหลอกหลอนแนละ้วพฤติกรรมนี่มันก็ช่วยปล่อยวางนะัที่คลายความเศร้าได้นะจริงๆเนี่ยถ้าว่าเราเราตระหนักนะถึง ความพัดพราาสูญเสียที่ถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยมันสามารถจะเป็นเกราะป้องกันเราได้มันสามารถจะเป็นภูมิามาคุ้มการจิตใจเราได้จริงถ้าเราเรเลึกถึงคําของพุทเจ้าที่จัดกับนางปตจรานะนางปตจรานี่สูญเสียทั้งสามีลูกสองคนลูกที่พึ่งคลอดด้วย3ามคนหนึ่งแล้วก็ลูกเล็กอีกคนหนึ่งและตอนหลังก็พบว่า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 เราลองพิจารณาแบบนี้ก็ได้นะว่าเกิดมานี่มันเต็ไมไปด้วยความพัดพลาดสูญเสียเยอะเมื่อเกิดความพัดพลา ด, ดสูญเสียขึ้นมามันก็จะได้สอนใจว่าเนี่ยให้เห็นโทษของการเกิ ด, ห เ, หก เ, กดหเห็นโทษของความยึดติดนะและความอยากที่จะไม่เกิดเนี่ยมันก็จะได้ค่อยก่อตัวขึ้นซึ่งก็นําไปสู่การทําความเพี้ยนนะเพียนที่จะไม่เกิดอีก